จาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำาขงการจาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคราวนั้นมีหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมเป็นเพื่อนในการเดินทางโดยเริ่มเดินทางไปทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยข้ามแม่น้ำโขงขึ้นไปฝั่งลาวแล้วเดินข้ามป่าข้ามเขาเนื่องจากฝั่งลาวสมัยนั้นป่าสวนมากเป็นป่าดงดิบ ต้นไม้ใหญ่ลำต้นสูงแต่ข้างล่างโปรง่งเดินได้สะดวกถ้าหมดป่าสูงบางแห่งก็เป็นป่ารกชัดซึ่งต้องเดินทางตามเส้นทางช้างเพราะช้างจะเดินเป็นที่ที่ทาให้ป่าบริเวณที่ช้างออกหากินกลายเป็นทางช้างไปช้างป่าแต่ละโขงนั้นมีจำนวนหลายสิบเชือกขึ้นไปเดินไปได้สามวันจึงข้ามแม่น้ำกง ซึ่งแม่น้ำกงนี้บางแห่งไหลผ่านที่ราบเป็นที่สำหรับทำการเพราะปลูกขณะที่เดินทางไปนั้นข้าที่ไหนก็หาหมู่บ้านสำหรับพักค้างคืนการพักก็หาพักตามป่าใกล้หมู่บ้านเพื่อจะได้อาศัยบินทบาตวันหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านตะวันเกือบจะหมดแสงอยู่แล้วจึงรีบหาที่พัก พอหาที่พักได้แล้วนั่งพักไม่ทันหายเหนื่อยก็มองเห็นพวกชาวบ้านเป็นหญิงล้วนถือเอาขันข้าวกระติบข้าวเดินกันมาเป็นแถวสิบกว่าคนเมื่อมาถึงก็วางขันกระติบข้าวลงตรงหน้าพร้อมกับพูดว่างอเจ้าเหนียวงอเจ้าเหนียวเลยไม่รู้ความหมายว่าพวกหล่อนพูดอะไรจึงพูดกับหล่อนไปว่าไม่รู้คากัน ให้ไปบอกพวกผู้ชายมาพูดกันซึ่งพวกหลอนก็เข้าใจพากันกลับไปสักครู่ต่อมามีพวกผู้ชายพากันมาหลายคนเมื่อมาถึงพวกเขาก็พูดว่านิมนต์เจ้าบุนฉันข้าวก่อนเดินทางมาแต่ไกลหิวฉันให้อิ่มเสียก่อนทางจากเวียงจันทร์มาที่นี่ก็ต้องเดินวันหนึ่งเดินทางไกลเช่นนี้หิวจึงพูดกับพวกเขาว่าไม่เป็นไรหรอก เอาข้าวกลับไปก็แล้วกันขอเฉพาะน้ําร้อนก็พอแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาข้าวมาใหม่ซึ่งพวกเขาก็เข้าใจและทําตามคําที่เราพูดชาวบ้านเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นเผ่าไหนเวลาพวกเขาพูดกันฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องที่พวกผู้ชายพูดเข้าใจภาษากันก็เพราะพวกผู้ชายเป็นผู้ที่มีการสังคมติดต่อค้าขาย กับพวกบุคคลหลายเผ่าหลายภาษาส่วนพวกผู้หญิงไม่ได้สังคมอยู่เฉพาะในบ้านจึงพูดได้เฉพาะภาษาของตนเองพอรุ่งเช้าก็เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านการไปบินทบาทกับพวกชาวบ้านป่าเช่นนั้นต้องทําการบินทบาทแบบโบราณคือไปยืนอยู่หน้าบ้านทําเป็นหวัดเป็นไอกระแอมกระไอเข้าเขาได้ยินเสียงเขาก็จะออกมาดู บางทีก็ต้องบอกเขาให้เอาข้าวมาใส่บาตรฉันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้มีวัดประจำหมู่บ้านแต่ไม่มีพระมีแต่เนอนอยู่เวลาไปถึงนั้นเป็นเวลาเย็นพอดีเมื่อเห็นพระไปเนนก็แสดงความดีใจต้อนรับอย่างดีหาที่นอนน้ำใช้น้ำฉันนิมนต์ให้พักอยู่ด้วย เห็นว่าเนนมีอัธยาศัยดีจึงตกลงพักอยู่วัดนั้นกับเนนเมื่อจัดการต้อนรับเรียบร้อยแล้วเนนได้หายไปได้ยินเสียงไก่ร้องจอกจอกครู่ต่อมาได้กลิ่นไก่ย่างโชยมาตอนนั้นยังไม่ได้เกิดความสงสัยอะไรเนนหายไปได้ประมาณชั่วโมงเศษก็เห็นเนนยกเอาข้าวเหนียวร้อนๆยังมีควันกลุ่นๆกับไก่ย่างตัวใหญ่มาวางไว้แล้วพูดว่า นิมนต์ครูบาฉันข้าวก่อนเดินทางมาเหนื่อยวันนี้ผมย่างไก่ย่างเอามาอย่างดีนิมนต์ฉันให้อิ่มจึงพูดบอกเนนไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกเนนเอากลับไปเถอะพรุ่งนี้เช้าจึงจะฉันตอนเย็นฉันน้าร้อนก็พอแล้วเนนก็มายกเอากลับไปแกจะเอาไปบางสุกุลหรืออย่างไรก็ไม่ได้สนใจวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันแล้วก็ลาเนนเดินทางกันต่อไป ในระหว่างที่เดินทางไปนั้นภูมิประเทศทางฝั่งสายแม่น้ำโขงเป็นที่ร่มรื่นมีป่ามีภูเขามากมายพวกสัตว์ป่ามีทุกชนิดบางแห่งไม่กลัวคนเวลาเดินทางผ่านไปต่างก็หากินเหมือนไม่มีอะไรผ่านมาไม่เห็นระแวดระหว่างภัยแต่อย่างไรเวลาเช้าได้ยินเสียงพวกลิงข้างชนีร้องเสียงระงมอยู่ทั่วไป และเมื่อเดินทางไปทางเหนือของประเทศเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงของลาวก็คือเมืองหลวงพระบางเมืองต่างๆที่ผ่านมาแล้วล้วนแต่เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยทั้งสิ้นเมื่อเดินทางใกล้เมืองหลวงพระบางเข้าไปจึงปรึกษากันว่าควรแวะไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางอันมีชื่อเสียงก่อนจากนั้นจะไปสิบสองปันนาสิบสองจุไทย เมื่อปรึกษากันแล้วจึงเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางโดยไม่ได้แวะที่อื่นเลยเมื่อถึงเมืองหลวงพระบางได้ไปพักอยู่ที่วัดใต้ซึ่งในเมืองหลวงพระบางมีวัดอยู่สามวัดคือวัดใต้วัดเหนือวัดพระบางวัดพระบางเป็นวัดที่สำคัญเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองเพราะเป็นที่สถิตของพระบางผู้คนไม่มากนัก เมืองอยู่ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบมีที่ราบพอได้อาศัยปลูกข้าวบ้างมีผลิตผลพอเลี้ยงคนเลเมืองได้ประชาชนทั่วไปมีอัธยาศัยดีไม่มีโจรผู้ร้ายประชาชนเคร่งครัดต่อศาสนาและหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาและหาของป่า ข, า, ขายก็มีบ้างแต่ไม่มากนักการเพราะปลูกอย่างอื่นๆก็มีบ้างแต่ไม่มาก พอจะเป็นสินค้าเพราะมีพื้นที่จำกัดเนื่องจากภูมิประเทศล้อมรอบไปด้วยภูเขาเมื่อพักอยู่ในเมืองหลวงพระบางพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปทางสิบสองปันนาสิบสองจุไทยแต่ไปพบด่านทหารฝรั่งเศสเข้าเขาถามว่าจะไปไหนและมาจากไหนจึงบอกเขาว่าจะไปสิบสองปันนาสิบสองจุไทย และมาจากสยามพวกนั้นพอรู้ว่ามาจากประเทศสยามเขาก็ห้ามไม่ให้ไปจึงต้องกลับมาหลวงพระบางอีกครั้งพักอยู่หลวงพระบางสองสามวันจึงปรึกษากับหลวงปู่ตื้อว่าจะไปไหนต่อในที่สุดก็ตกลงกันว่าถ้าไปตามความตั้งใจเดิมไม่ได้ก็กลับเมืองไทยดีกว่าจึงตกลงกลับมาไทย เดินทางลัดป่าลัดเขามาอย่างเคยผ่านเมืองต่างๆเช่นเมืองเลนเมืองโกเมืองแมทเมืองกาสีประโจวกับเวลานั้นพระเจ้าสีสว่างวงเจ้ามหาชีวิตของลาวจะเสด็จมาเมืองเวียงจันทร์ทางการจึงเกณฑ์ราชดอนทาทางมาโดยผ่านมาทางเมืองดังกล่าวการเดินทางกลับจึงได้อาศัยเส้นทางนี้เมื่อถึงเวียงจันทร์เดินเลียบฝั่งโค้ง และข้ามโขงมาถึงฝั่งไทยตรงอำเภอท่าลีจังหวัดเลย 9. จาริกไปภาคเหนือการจาริกเที่ยวไปทางฝั่งสายแม่น้ำโขงคราวนั้นใช้เวลาเดินทางทั้งไปและกลับเป็นเวลาทั้งสิ้น14วันเมื่อกลับเข้าประเทศไทยทางอำเภอท่ารีจังหวัดเลยแล้วยังไม่ได้กลับไปวัดโพชัยบ้านนาโปง อันเป็นวัดเดิมที่เคยบวชอยู่แต่ได้พักภาวนาอยู่ตามป่าเขาแถวอำเภอท่ารี่เพื่อพักผ่อนร่างกายที่อ่อนเพลียจากการเดินทางจาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้าโของอําเภอท่าลี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีภูมิประเทศเหมาะแก่การบาเพ็ญภาวนาเมื่อพักผ่อนอยู่นานพอร่างกายหายเหนื่อยแล้วจึงปรึกษากับหลวงปู่ตื้อว่าจะไปไหนต่อไป ตกลงกันว่าจะไปทางภาคเหนือเพราะยังไม่เคยไปเมื่อตกลงกันแล้วก็เดินทางมุ่งสู่ภาคเหนือต่อไปสมัยก่อนเวลาจะไปไหนพาหนะที่ดีที่สุดก็คือขาสองขาของเรานี้เองเดินไปข้ามไหนนอนที่นั่นไม่ต้องเป็นห่วงเด็กเล็กที่เป็นลูกศิษย์เพราะไม่จําเป็นต้องมีจึงไปได้สะดวกไปถึงที่ไหนเห็นว่าร่มรื่น เหมาะแก่การภาวนาดีก็อยู่กันหลายวันเพื่อภาวนาที่ไหนไม่เหมาะก็พักคืนเดียวในครั้งนั้นเดินออกจากอำเภอทารี่มาอำเภอด่านซ้ายจากด่านซ้ายก็เดินเข้าป่าข้ามเขาไปอำเภอนาปาดโดยผ่านเขตอำเภอนครไทยซึ่งภูมิประเทศเป็นป่าเขาเกือบทั้งสิ้นการเดินทางก็เดินได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นเย็นลงต้องหาที่พัก เพราะมีสัตว์ป่าเช่นช้างเสือชุกชุมประชาชนกลัวกันมากไม่กล้าเดินคนเดียวแม้สองสามคนก็ไม่กล้าเดินเพราะกลัวพวกสัตว์ร้ายเหล่านั้นบางแห่งเขาจะสร้างที่พักไว้กลางทางสำหรับผู้ที่เดินทางจะได้พักอาศัยหลับนอนในเวลากลางคืนหลังจากนั้นเดินทางไปอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต์แล้วตัดไปอำเภอสาจังหวัดน่าน พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นป่าเป็นเขาส่วนมากมีหมู่บ้านเป็นแห่งๆตามที่ราบเชิงเขาบางแห่งก็มีหมู่บ้านชาวเขาตั้งอยู่พอได้อาศัยบินทบาิจากจังหวัดน่านเดินทางวกลงมาอำเภอสองอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่วันหนึ่งขณะที่เดินทางมาด้วยความอ่อนเพลียกลางป่าเขาเพราะยังไม่ได้ฉันข้าว ขณะที่เดินทางมานั้นผเอิญไปพบเอาหมู่บ้านชาวเยาเข้าแห่งหนึ่งจึงเข้าไปบินทะบาทเดินไปไม่พบใครเลยเนื่องจากออกไปทำไร่กันหมดจวนจะเป็นบ้านสุดท้ายอยู่แล้วพอดีมีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากบ้านจึงพูดกับเขาว่าสายเรายังไม่ได้กินข้าวขอข้าวเรากินบ้างเยาตอบว่าข้าวเฮามีน้อย เขาบอกเห้อเขาเอาไว้กินเอาไว้ขายข้าวสุกเขาก็มีเขาบอกเห้อเขาเอาไว้กินข้าวสารเขาก็มีเขาเอาไว้ขายเขาบอกเห้อเขาพูดออกมาจากใจจริงของเขาตรงๆตามภาษาซื่อๆของเขาพวกเหล่านี้ไม่มีมารยาสาไทยอะไรพวกเขามีความในใจอย่างไรก็ <c oughs> พูดออกมาอย่างนั้น เขาไม่คิดว่ามันจะไปกระทบใจใครหรือจะไปทำความไม่พอใจให้ใครแม้จะไปทำความผิดหวังให้ใครเขาก็ไม่คิดเพราะความซื่อของเขาอยาวคนนั้นนอกจากแกจะพูดว่าเฮาบอฮือแล้วตากแกยังจ้องมองไปที่บาตรพระที่กําลังว่างเปล่านั้นอีกแล้วแกก็พูดขึ้นว่าม่อ น, นั้นขายเฮาเฮาเอาไว้ต้มข้าว เมื่อถูกเยาพูดเช่นนั้นทำให้เกือบกลั้นหัวเราะไหวไม่อยู่ทำเอาลืมหิวข้าวไปชั่วขณะหนึ่งจึงบอกกับแก่ไปว่าไม่ได้เราขายให้ไม่ได้เมื่อไปถึงบ้านถึงเมืองเราเราใช้บาทนี้แหละใส่ข้าวเมื่อเห็นว่าการบินบาบวันนี้ไม่มีหวังแล้วจึงเดินทางต่อไประหว่างทางได้พบหญิงเยาจึงออกปากขอข้าวอีก ค่าวนี้ไม่ต้องบินาบาบดแต่พูดขอเอาทีเดียวว่าสหายเต็มทีแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเอาข้าวให้เรากินบ้างหญิงเย้าตอบว่าคอยเหาวกาเนื้อแล้วรีบเดินเข้าไปในบ้านครู่หนึ่งเดินถือขันข้าวออกมาพร้อมกับพูดว่าข้าวมีมอกอีแล้วก็เทข้าวใส่ในบาทจนหมดขัน เมื่อได้ข้าวจากหญิงที่มีใจอารีแล้วจึงหาที่เหมาะเพื่อฉันข้าวต่อไปการฉันข้าววันนั้นก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเพียงเอาน้าเทใส่ข้าวแล้วก็ฉันเท่านั้นเพราะไม่มีอาหารข้าวเช้าเขานั้นเป็นข้าวไรข้าวมีวิธีหุงพิเศษเมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมรสหวานนิ่มดี แม้พวกชาวเขาเองเวลากินข้าวก็ไม่มีอะไรมากมีพริกมีเกลือก็กินกับพริกกับเกลือไปถ้าไม่มีก็กินกับน้ําถ้าวันไหนได้เนื้อมาก็เอามาย่างไฟแล้วกินกับข้าวอย่างอริดอร่อยจะต้มจะแกงเหมือนพวกเรานั้นทําไม่เป็นพวกนี้อยู่ง่ายกินง่ายตามเผ่าของพวกเขาเผ่าไหนสูบฟินหลังอาหารก็มีการสูบฟินแถม นอนสูบกันอย่างสบายอารมณ์เมื่อฉันเสร็จแล้วจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านชาวเยามาถึงพื้นที่ราบเป็นหมู่บ้านของคนเมืองเดินไปพบกับพระองค์หนึ่งถามถึงทางที่จะไปข้างหน้าว่ายังอีกไกลเท่าไหร่ท่านตอบว่าผ่าข้าวตอนก็ไม่เข้าใจภาษาท่านแต่เพราะความมีเมตตาจิตของท่านท่านจึงชวนพักอยู่กับท่านก่อน เมื่อหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางต่อไปท่านพูดว่านิมนต์พักอยู่กับผมก่อนผมจะไม่ให้เดือดร้อนอันใดข้าวน้ำโภชนาหารก็ดีเสนาสนะที่นั่งอันใดก็ดีผมจะจัดการทั้งหมดเป็นธุระของผมเองผมเคยไปเที่ยวทางใต้มาเขาต้อนรับผมอย่างดีตอนนั้นผมยังไม่รู้จักธรรมเนียมแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วนิมนต์พักให้สมัยก่อน มีกำลังแล้วค่อยเดินทางต่อไปจึงตกลงพักฉลองศรัทธาความปรารถนาดีของท่านสามวันเมื่อมีกำลังแล้วอำลาท่านผู้มีใจอารีเดินทางต่อไปรุ่งเช้าพอฉันเสร็จจึงออกเดินทางเวลาประมาณเพนจึงถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่ต้องการไปจึงรู้เอาคำว่าผักข้าวตอน ก็คือระยะทางเดินไปกินข้าวกลางวันข้างหน้าทันเพราะระยะทางจากวัดที่พักมาถึงหมู่บ้านนี้เดินไปกินข้าวกลางวันข้างหน้าได้เดินทางมาถึงแพร่ได้พักอยู่สองวันจึงเดินทางต่อไปอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยบ้านบินแล้วเดินทางตามทางรถไฟอีกสี่คืนหลังจากนั้นต้องเดินทางข้ามเขาไปอีกคณะที่เดินทางข้ามเขาไปนั้น ระหว่างทางพบกับพวกจีนฮ่อและได้เดินทางต่อไปจนถึงลำปางจึงแยกกันกับหลวงปู่ตือ้อหลังจากนั้นหลวงปู่แหวนจึงเดินทางไปยังเชียงใหม่แต่เพียงองค์เดียว